ใช่เป็นส่วนประกอบแบบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากําลังทําอยู่นี่ได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทําเราได้ทําในสิ่งที่เราได้ฟังเอามาประกอบกันสิ่งที่ได้ยินในเป็นเรื่องของเราอย่เป็นเรื่องของคนอื่นคําสอนพระพุทธเจ้าที่เราสาธยายให้เป็นเรื่องของเรา เป็นเรื่องของพุทธเจ้าโยมลูกควงหลงมันเกิดขึ้นไม่มีการไม่มีเวลาเราก็ต้องให้มันทันเหตุทันการของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นไฟตกใส่ขาเราเราต้องปัดไฟออกในการนั้น รวมหลงเกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนหลงเป็นรู้ อ, อกรวมทุกข์เกิดขึ้นเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นภาวะที่รู้ อ, อกจึงจะเชื่อเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมนอกจากเจอที่เหตุดับที่เหตุแล้วก็ต้องให้มีความเตรียมพร้อมอยู่ในการใช้ชีวิตเรา สร้างคุณธรรมไม่เกิดขึ้นมีศรัทธาในการปฏิบัติในการทำความดีมีศรัทธาในการละความชั่วมีเมตตากรุณามีความรักมนุษย์ทุกสิ่งสิ่งจะไม่เบียดเบียนตนเองจะไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นคนอื่น มีจิตใจเบิกบานเสียสละทำจิตให้บริ ส, บบ ส, บสุทธิ์อยู่เสมอเป็นส่วนปรกอบกับศรัทธากับสติที่เรากำลังทำอยู่จะงดงามและ ไ, ไวเหมือนต้นกล้าที่มีสิ่งเวรลอมดีจเจริญเติบโตได้ง่ายถ้าสิ่งเวรล่อมดีก็เหี่ยวแห้ง โฉวตายไปได้เช่นกันเราสร้างสติเราทําความดีเราละความชั่วให้มีพลังตามความดีมีพลังละความชั่วเป็นชีวิตล่อมที่เราสร้างขึ้นมาไม่มีใครสร้างให้เราได้เราปลูกข้าวเราปลูกอะไรต่างๆเป็นชิงแวดล้อมภายนอก เช่นปีนี้ชาวนาชาวไร่ทำนาทำไร่ไม่ได้เพราะอาศัยว่าผนตามฤดูกาลแต่การสร้างอริทรัพย์ที่มันให้มีเกิดขึ้นในเราไม่มีฤดูไม่มีการไม่เวลานี่ฉุดทาเหมือนเนื้อนามีความเพียรเหมือนหน้าฝน มีสติเหมือนข้าวปลูกข้าวพันพันพืชมีสมาธิคือเปลี่ยนร้อยเป็นดีเหมือนมีไผ่พริกหญ้าลงไปในดินเปลี่ยนหน้าดินเปลี่ยนที่ไม่มีดินไม่มีหญ้าขึ้นมาเพื่อเหมาะกิจาการปลูกหรือว่าสมาธิมันหลงเปลี่ยนเป็นลูกได้อย่างชัดเจนแม่นยำ ไม่ต่อรองมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกวันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเรียกว่าสมาธิเหมือนคาดเหมือนไถเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู่เหมือนมือเป็นปยาจนมีนา ม, นามาีน้ำฝนมีข้าวพันข้าวปลูกมีคาดมีไถ มีปัญญารู้จักขน้าเข้าขายน้าออกรู้ตรงไหนที่มันท่วมปล่อยออกตรงไหนที่มันแห้งขังแห้งพอดีให้มันเกิดมิตรภาพหมัอนเสร้างถนนมิตรภาพจากบ้านไผ่ขอนแกยนถือเจ้าหน้ามไม่เกิดเพี้ยมไม่เะดเทอนเลยมันเป็นมิตรภาพที่เหมือนเป็นมิตรภาพได้เพราะเขาทำ ตรงไหนที่มันสูงตอดลงที่วไหนที่มันต่าถมขึ้นตรงไหนที่มเป็นทางน้ำทาสะพานหรือฝังท่อให้มันผ่านชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นได้ความไม่เที่ยงปล่อยมันไปความเป็นทุกข์ปล่อยมันไปผมมใช่ตัวตนปล่อยไปให้ไปเป็นทางไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นขักขังไว้ให้ความทุกข์ความโกรธนอนอยู่กับชีวิตเราข้ามวันข้ามคืน ไม่เจเสียหายปล่อยมันไปจละอารมณ์เน่าให้เป็นตรงไหนที่มัน อ, อ่อนแเข้มแข็งหลงเป็นหลง อ, อ่อนแอหลงเป็นลู่เข้มแข็งขึ้นตรงไหนที่มันตึงเชียด จ, จิงจังเกินไปผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกมันแข็งเกินไปให้เห็นมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องถูก อย่าไปจริงกับมันเห็นตรงอยู่ตรงกลางเห็นมันผิดเห็นมันถูกถ้ามันผิดแล้วไม่ชอบถ้ามันถูกชอบมันเป็นบวกเป็นลบอารมณ์บวกลบมันกระทุกกระทือน่อชีวิตเราให้มันอยู่ตรงกลางเห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันหลงเห็นมันรู้ ดีดีสติเนี่ยมันเป็นศินลปะแห่งการรับเหมือนแม่รับลูกดอยที่วิ่งเข้ามาหาถ้ารับไม่เป็นลูกก็เจ็บแม่ผู้รับลูกโอบมือไว้พอดีพอดีก็จะสัมผัสพอดีเราเห็นลูกโอ้ที่ยินเสียงจะโอกได้กลิ่นได้รสกายสัมผัสจิตใจชินนึก มีการสัมผัสการสัมผัสเนี่ยสําคัญที่สุ ด, อ ย, ดอย่าดวนล้ออย่าดวนปฏิเสธไม่ดวนรับไม่ดวนปฏิเสธฟางไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนได้ยินด้วยก่อนเอย่าพิ่งไปสุขอย่าพึ่งไปทุกข์อยวาพึ่งไปชอบอย่าพึ่งไปไม่ชอบหัดจากนี้เดาว่าอิรักปะ หรือว่าศิลปศาสตร์ศาสตร์แห่งชีวิตไม่กระทกบกระเทือนนอกจากเรามีสติแล้วมันก็มีสิ่งอื่นที่เราจะต้องให้เป็นสุวประกอบไปด้วยทำความเพียรแบบแห้งแรงมีสติแบบแห้งแรงก็มีจริงจังหน้าดำาค้ืงเคียดไม่รู้จัดทารรใจ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เคยคิดช่งางหม้มันเป็นเช่นนั่นเองไม่เคยว่าไม่เคยวางใจลักษณะแบบนี้มีได้ผิดมีแต่ถูกมีแต่ขยันมีได้เกียดค้านให้ความเกียดค้านพาหยุดให้ความขยันพาธรรมให้ความพอใจความไม่พอใจผ่านอยู่เสมออาศัยชีวิตเราอยู่เสมอมันก็ ไม่เหมาะที่จะได้บรรลุธรรมผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั่นบองอย่างพระอนนท์เนี่ยเอาจริงจังนอนหนึ่งคืนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยพอ่ า, าเห็นตัวเองหมดเลี้ยวหมดแรงนั่งตั้งแต่ย่ำค่ำถึงแสงเงินแสงทองขึ้นคิดว่าตัวเองจะไม่ได้หลับได้นอนก็เลย วางใจสักหน่อยขอพักผ่อนเอาแรงสู้อีกสักหน่อยเงียบสักหน่อยยงียบสักหน่อยวางใจไม่อยากรูก้ไม่เชี่ยวไม่เข็นไม่รีดแรงงานขณะนั้นะนะบรรลุธรรมทันทีขณะที่วางใจลงไม่ใช่เวลาที่รูปแบบนอกรูปแบบบรรลุธรรมนอกรูปแบบ ไม่ได้อยู่ในอริบทั้งไม่ได้อยู่ในอริบทนอนไม่ใช่อยู่อริบทยืนเดินงอกรูปแบบแนาจึงให้มีประสบการณ์หลายๆอย่างจึงไหนที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปหาคำตอบจากความคิดปัญหาเกิดจากอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่าหาคำตอบจากความคิด ให้ออกกรรมคือการกระทําทําไปก่อนบางที่คิดจะไปถามแล้วเกิดเลยขึ้นก็คิดจะไปถามไม่มีผู้ที่จะถามไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนตอบไหมก็เลยผิดพลาดไปบางทีไม่ต้องคิดจะไปถามเวลาปัญหาเกิดขึ้นให้มีการกระทําไปก่อน เดินจงกรมไปก่อนไม่เป็นไรมิสติไปก่อนมีสติไปก่อนวางข้อสอบข้อโศกบางแบบหรือว่าประเนในพอให้ค้อเขียนบางคิดเอกอานอ่า น, นดูแล้วข้อไหนมันโตอบไม่ได้อย่าไปคิดมันตบข้อที่มันตบได้ก่อนคิดไปข้อที่มันโตบได้ก่อน ถ้าคิดไปข้อเที่มันตอบได้มันตอบได้มันตอบได้มาดูข้อเทียมมันตอบไม่ได้มันจะอาจจะตอบได้ทีหลังก็ได้ง่ายๆอย่าไปคิดจะไปจนตรงไหนที่มันจนอย่าไปหาเหตุนะผลก็มันทําไมทําไมทําไมคิดว่าจะสอบได้คิดว่าสอบไม่ได้มันไปไกลเช่แล้วสนุกสนุกไปก่อน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอารมณ์ ล, ลบมันก็เมื่อมีมากๆ ม, มันจะทำให้สูญเสียสมองด้วยเรียนไม่เก่งคิดไม่ออกนานทีเครียดไปเลยมั้นการปฏิบัติธรรมถ้าทำดีมันก็สนุก มีแต่หัวโล้มีแต่ความยิ้มไปในใจเสมอมันหลงกับหัวโล้ความหลงมันรู้กับหัวโล้ความรู้มันสุขหัวโล้ความสุขมันทุกข์หัวโล้ความทุกข์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวกับเรื่องใดนี่เลยว่าพรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่แปลว่ามีเพียรมีสติ น, นะนะเวลาปัญหากลับขึ้น เมื่อมีเพียรเพ่งอยู่หมือนพอาทิตย์กำจัดความมืดปัญหานั้นย่อมผ่านไปกลายเป็นปัญญาไปเลยปัญหากลายเป็นปัญญาทุกกลายเป็นปัญญานี่จะเห็นไปเป็นลักษณะเดียวกันภาวะที่สุขภาวะที่ทุกข์ภาวะปัญหามีลักษณะเดียวกันไม่กระทบ ก, กระทือน เ่องผิดความถูกไม่กระทบ ก, กร ะ, ทกกระทกเทือนผูาาม้มีเพียรเพ่งอยู่ไม่หวนไหวเหมือนภูเขาสิลาแท่งทึบไม่เจริญเพราะลมผู้มีเพียรเพ่งอยู่ไม่ะเทือนเพราะอารมณ์ที่มากระทบมีสติสมชัญญะมีความเมตตากราุณาจิตใจเบิกบานเฉสละอยู่เสมอไม่จนไม่มี สิ่งใดขวงขั้นให้เรามีรวมยินดียินร้ายได้ในรูปในรถในกินในเสียงมันทะลุทะลวงไปได้นินทาก็เท่ากันสนเสริญเท่ากันศกทุกเท่ากั น, กกกนไม่มีรสชาติาผู้มีเพียรเพ่งอยู่พรามผู้ลอยบาปพรามคือผู้ลอยบาปบาปคือสิ่งที่เป็นทุกมาเท่าไหรลอยหนีที่นั่น ไม่ช่คามนุ่งขาวห่มขาวใจบริสุทธิ์มีสติมีสิ่งเว้นร่อมที่ดีนี่มันจะเกิดขึ้นในอาชนะภายในนั่งนานปวดหลังปวดเขาปวดขาอย่าเอาความปวดมาเป็นทุกข์เห็นมันปวดวางปวดไม่ทำให้เกิดทุกข์ อดทนมันก็กลายเป็นสิ่งเบาไปแต่ก่อนปวดเป็นปวดสูกเป็นสูกทุกเป็นทุกพอมาดูเข้าไปมีสติเข้าไปมันจะเห็นมันจะเห็นมันไม่เป็นมันจริงมันต้องมีจริงมีกายก็มีหลงมีกายก็มีรู้ตรงที่มันหลงไม่หลง เป็นความรู้มีสติตรงที่มันสุขไม่สุขเห็นมันสุขมีสติตรงที่มันทุกข์ไม่ทุกข์มีสติแล้วก็จึงจะเป็นทางลาดเอียงไปสู่มรรคสู่ผลถ้าไม่ลาดตรงนี้มันสุขเห็นมันสุขไม่ลาดแล้วเทียบท่าเหมือนเรือขึ้นฝั่งเรือเทียบท่า ถ้าสุกเป็นสุกไม่มีท่าชันถ้าเป็นทางก็เป็นหน้าผาขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็เป็นฝั่งที่สูงขึ้นไม่ได้เก้าขึ้นไม่ได้ร้อยคอสุขเป็นสุกหรือว่าชีวิตร้อยคอทุกเป็นทุกหรือ้อยคอมันก็เหนื่อสุกเหนือทุกไม่ได้ถ้าเห็นเนี่ยมันตื้นขึ้นนั้นเหลือเทียบท่าก้าวขึ้นง่าย เห็นไม่เป็นอย่างง่ายถ้าเป็นเรามันยากที่จะทำให้ไม่เป็นสุขถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์ถ้าเป็นสุขก็เป็นผู้สุขมันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าพระนิพพานเป็นฝั่งเรียบๆมันก็ง่ายเช่นสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์มันก็ยาก น่าสุขเห็นมันสุขทุกข์เห็นมันทุกขนะ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถอดลาดเหมือนทะเลทะเลเนี่ยมันลาดลงไปเหมือนก้นกระทะถ้าเห็นเนี่ยเหมือนลาดลงไปต่าลงไปต่าลงไปถึงทะเลน้ามันชันเนี่ยมันก็เป็นหน้าผามันจะไปไม่ได้แม้แต่เรือก็เดินไปไม่ได้เช่น แม่นม้ำโขงสี่พันโดนลีผีไปดูที่แม่นม้ำโขงที่มันไหลมันเป็นหน้าผาตรงนั้น่นที่มันไปสู่กขมรเวียดนามมันสูงตกลงไปที่ลีผีมันสูงมากเป็นหลายเมตรเป็นสองเส้นอ่ะโดดลงไป มันสูงที่ถึงมันสูงที่ถึงมันต่ำหรือว่าเครเหมนต่ามันก็ต่ํ จ, จริงจริงลงไปทางนั่นเราเานมาขึ้นไม่ได้เรือวิ่งแม่น้ำโขงไปทู่ที่นั่นก็ไปไม่ได้อยู่ที่แถวต้คนจะบาสักปบาซีเปลี่ยนขึ้นหมาใหม่ตรงนั้นไปไม่ได้ มันเป็นหน้าผาขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ชีวิตรเรามันเป็นหน้าผาฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกเป็นหน้าผาถ้ามีสติเห็นมันจุกเห็นมันทุกมันจะลาดขึ้นวางได้ง่ายถ้าขึ้นขึ้นง่ายถ้าลงลงง่ายเหมือนทางขึ้นเขามาสุกโต ถ้าหลงจางเช้งข้อมันเป็นหน้าผาต้องทำให้มันลาดมาันขึ้นมาได้ชีวิตเราก็เหมือนกันมันเป็นหน้าผาจุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกเนี่ยมันไม่มีทางที่ไปถึงมรรคถึงผลได้จึงเห็นตั้งแต่ข้าวแรกเห็นกายสววากายเนี่ย อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายไม่ใช่เป็นสุกเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนความร้องก็เป็นตนความหนาวเป็นตัวเป็นตนความปวดเป็นตัวเป็นตนได้เห็นมันปวดเห็นกายที่มันปวดเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันหิวไม่แม้ก็บางใช่ตัวใช่ตนเป็นจักว่าขอบคุณมัน มันร้อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็นขอบคุณมันอันที่เป็นสุขผู้คงร้อนเป็นทุกข์ผู้คร้อนเป็นหนาวผู้คงร้อนเป็นทุกข์ผู้คงหนาวเป็นทุกข์ผู้คหิวปล่อยเป็นจักว่าลาดแล้วเยียบท่าได้กายสวรกายไม่ใช่จตุคคลอันสุขกับทุกข์ที่เกิดกับชีวิตทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์มีคู่ ยี่ว่าเป็นคู่กันบวกลบฉุกทุกเห็นมันฉุกไม่ใช่เป็นผู้สุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกันสุกทุกเหม่ค่าเดียวคือเห็นมันฉุกเห็นมันทุกอันทุกไม่เป็นทุกสุกม่เป็นฉุกสักแต่ว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาคิดอีกันหนึ่งที่มันคิด ทีมันคิดอะไรเนื่องว่าตัวว่าตนมันคิดให้เป็นโุกก็โุกมันคิดให้โกรธก็โกรธมันคิดให้ทุกข์ก็ทุกข์เดีวเานอนพบคิดเกิดขึ้นนอนไม่หลับเพราะความคิดคิดขึ้นมาโกรธน้ำตาไหลก็มีเป็นทุกข์เพราะความคิดเกิดคิดขึ้นมาเกิดความรักรักเพราะความคิด คิดกันมาเกิดความเจยดชังเกิดความเจยดชังพะความคิดเอาจิตเอาความคิดเป็นชีวิตไปเป็นพเป็นชาติเมื่อเรามาดูมันะอันจิตมันก็สักว่ายจิตมันไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดทุกอย่างคำตอบมันเกิดจากกรรมธรรมมันไม่ใช่เกิดจากความคิด เป็นเป็นขวามกลางมันเป็นเปลวไม่ฉนตัวเองเวลานอนหัดนอนเราหายจะเข้าหายจะออกจักสิบนาทียี่สิบนาทีอย่าเพิ่งให้หลับขอไว้อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับวางขาหวางแขนพ้านุ่งก็ห่มเรียบร้อยนอนหงาย หายใจเข้าให้ยท้องพองหายใจออกท้องยุบมีสติดูสักสิบนาที ส, สิบห้านา ท, กนาทีก็จึงปล่อยเชิงวางให้หลับเวลานอนหาเรื่องมนคิดไปดูแดปล่อยความคิดคิดไปก็หลับก็หลั บ, ลบด้วยความคิดเป็นความฝันได้กลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดไปไม่สอนตัวเอง น้อยจนขาดขาดอย่าให้เป็นสุขเ ป, ป็นทุกข์ควงคิดเอาชีวิตไปห้อยไปเขียนกับความคิดแล้วแต่ความคิดจะพายเป็นอย่างไรไม่มั่นใจหมายมั่นใจตัวเองว่าจะคิดอย่างไงจะทำงไงความคิดอะไรก็ไปตามความคิดน่าไม่ถูกต้องเสียเปรียบผิดพลาดมีสติเห็นจิตสวัิจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลัวต้นโลเขา ใไ่คุณเจเจโซ่ตรงนี้มันก็หลุดไปไปได้อะไรก็อยู่ในหลักสูตรแบบนี้เป็นเจนเป็นหลักสูตรนรรเรียนภาษาไทยอะนิสานหลักสูตรมันใช่ได้ไปประกอบกับอะไรก็ใช่ได้เรามาได้สูตรมันสูตรของ ชีวิตเรียกว่าอารมณ์อารมณ์คือได้หลักเห็นหลักแดงมันหลงตรงไหนมันรู้ตรงไหนตรงที่มันหลงกลายเป็นความรู้ตรงที่มีปัญหากลายเป็นปัญญาแต่ก่อนทุกเป็นทุกวันนี้ทุกเป็นปัญญาเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเออต่างๆเห็นมันเลยไม่เป็นอะไรกับอะไร ชีวิตเรามันต้องได้มาตรฐานก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้มาตรฐานมันยังมีขึ้นฟูฟูแพรบแพบได้เห็นนี่มันเป็นกลางมาตรฐานเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์อะไรอยู่ในหลักนี้เรียกว่าชีวิตมาตรฐานชีวิตแบบนี้เหนือการเกริดเจ็บตาย ต้องฝึกเอาเองบรมาทําก็เห็นทันทีเห็นอะายมีสติเห็นมันหลงเห็นมันรู้แต่ก่อนหลงเป็นหลงพรมาฝึกหัดหลงกลายเป็นความรู้มันติดได้จริงๆเปลี่ยนหลงเป็นรู้อะไรมันถูกต้องตรวมหลงถูกต้องไหมความรู้ถูกต้องไหมก็ได้เปลี่ยนอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้ มันน่าจะขยันในของจริงได้ประมัดสภาวะธรรมได้เห็นสมมติได้เห็นประมาัิได้เห็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราโผหลงเป็นสมตมติก็ไม่หลงเป็นประมาัิประมัิคือมันจริงสมมติไม่จริงความทุกข์เป็นสมมติความไม่ทุกข์เป็นประมาัิ ผมโกรธเป็นสมมติผมไม่โกรธเป็นปรมาจวัตถุคือกายอาการคือที่เกิดขึ้นกับกายก็มีมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อมีหิวดูอาการนั้นกายเป็นวัตถุอันหนึ่งก็ไม่มีกายมีรูปนี่ก็มป็นอาการที่เกิดอยู่บนกายนี้ทุกชีวิตเหมือนกันหมดขนโตก็หนาว ร้องฝนก็หนาวเสียงแดดก็ร้อนเหมือนกันหมดคนว่ารูปเนี่ยเีว่าวัตถุอาการแล้วก็นอกจากรูปเนี่ยยังมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจมีคู่มีลูกมีรถมีกลิ่นมีเสียงตาเป็นวัตถุรูปเป็นวัตถุ อาการที่มันเห็นกันมันมีอาการเกิดขึ้นได้มีอาการเห็นในภาวะที่มีอาการเห็นมันมีสมมติบัญญัติไปบัญญัติลงไปว่าชอบว่าไม่ชอบเทียงแต่ตาเห็นลกูกบัญญัติไปว่าชอบว่าไม่ชอบเรียกว่าสมมติบัญญัติไม่ใช่ป ร, รมาจิัจะอันความชอบควมไม่ชอบไม่เที่ยงในความชอบควมไม่ชอบ ในความรักก็มีความไม่รักในความรักกันทีแรกก็สมมุติว่ารักต่อไปก็จะเกลียดก้ากันผ่านเพราะความรักทิ้งกันไปเพราะความรักเกลียดกันเพราะความรักมันไม่เที่ยงสมมติบัญญัตินั่นในโลกนี้สัตว์โลกตกติดอยู่ในสมมุติบัญญัติเหมือนปลาติดเบ็ดบัดบญญัติเอาต่างกัน บัญญัติเอาต่างกันไม่ใช่ประมัทจัตเจเพราะมันมีการสัมผัสมีสมมติอยู่ตรงนั้นไม่มีสติพอสมมติบัญญัติวาชอบว่าไม่ชอบก็มีอุปทานเข้าไปต่ออีกยึดมั่นถือมั่นไว้อุปทานยึดไว้ตัวกายเป็นพบเป็นชาติเชลาโมรณะ เกิดดับเกิดดับตรงนี้หูก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเสียงก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเวลามันสัมผัสกันเรียกว่าวัตถุมีอาการเกิดขึ้นก็ไปบัญญัติเอาสมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบที่โอทารเกิดขึ้นโอทารเกิดขึ้นในการสัมผัสสมมุติปัญญัติเนี่ยเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นจุลกายเป็นสัตนโลกเด่นฉานก็มีปวนกันไป ถ้าเป็นอย่างนี้หรือว่าชีวิตของคนผลเนี่ยมันปนกันคุม้มลอยคุ้มดีไม่ปวดภัยไม่ปวดภัยผนดีตกตัวลูกมากเท่ากับขนโคนไปทางต่ําพร้อมโชคพรมอมโชบมันไปท้องต่ําถ้าเห็นมันไม่เป็นเดี๋ยวไปทางสูงเดียวว่ามนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่ถึงมากถึงผล ไม่ใช่คนมันเป็นมนุษย์เป็นคนตรงนี้ตรงที่ผัสสะแล้วหว่างตาเห็นลกูกหมูได้ยินเสียงจะหมูได้กินลี้ในในรถกายสัมผัสจีใจมันคิดมันเป็นวัตถุอยู่ทุกคนไม่วัตถุเหมือนกันมีการสัมผัสเหมือนกันแต่บัญญัติต่างกันอชอบไม่ชอบสมมุติบัญญัติรอยเปอร์เ็นได้เห็นมัน สุขเป็นบรรทุกนี่ปรมาตจสั จ, จะไม่เป็นพบชาติตอนนี้ไม่มีเรียกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วผู้เจ้าอุทานออกมาเขาเห็นเรื่องนี้เมื่อมีอุบัานเกิดขึ้นเป็นภพเป็นชาติไปเสี ย, เ ป, ย, ยเปรียบความโกรธเสียเปรียบความรักอกหักเพรความรักผิดพลาพระความโกรธ ว่าสมมุติบัญญัติอุปทานประยึตว่าเราว่าของเราเสียเปรียบความโกรธองคางพู้กลมลักผิดพลาดเช่นต่นตางคนฆ่ากันตายตอนฆ่าเขาตายแล้วก็เสียใจผิดพลาดนอนตาจะมัยอยู่มืองเลยนี่ลูกชายข่าพ่อตัวเองตาย ให้เมียอยู่เองอยู่บ้านกระปูปูก็ก็อาจจะบ่นให้ลูกสะภ้ายลูกสะพ้ายโกรธปูขับรถวิ่งออกไปหาสามีของตัวเองบอกว่าปูด่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โลูกชายได้ยินว่าปูดา่าพ่อด่าเมียก็โกรธพอ่อ ไม่เรียยับยั้งชั่งใจพอได้ยินก็โกรธโกรธเกิดขึ้นสมมติวันญย่าว่าไม่ชอบเอาความโกรธเกิดข hmm. ึ้นทำตามความโกรธเอาปืนลูกสองพายบ่าวแล้วชีมอไซเข้ามาบ้านก็โกรธให้ปู่พอปู่นั่งไม่เห็นพ่อของตันนั่งฉานแต่ก็้าอยู่ นอกกรชานก็เดี่ยวปืนขึ้นยิงปูองมือค่ะบังไว้หน้าไว้อย่ายิงอย่ายิงแล้วยิงปืนใส่หน้าปูถูกมือทะลุใส่หน้าผากตายลงทันทีก็เห็นพ่อตายแล้วก็มันก็เปลี่ยนเนี่ยสี่ใจที่มันโกรธเพราะมัเห็นปูเห็นพ่อลงเตรายแล้วก็เสียใจทันทีพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้วาล ว, าล ว, วางปืนขึ้นไปบนบ้าน ไปดูพ่อโกรธพ่อร้องไห้เสียใจเลยเอาเข้นเอาขึ้นไม่ได้เพราะพ่อตายไปแล้วพ่อตามตามขมโกรธมีเหมือนกันหลังจากก็เก็บจบพ่อของตัวเองอย่างเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถก็ไปหลงพักมอบตัวสารภาพร้องไห้ไม่มีน้ำตาจะออก มันเสียเปียบความโกออรธเพราะอเพราะอารมณ์ไม่ใช่จิตความโกรธเป็นอารมณ์มันจรมาเป็นอาการตกะหรือว่าอาการตกะทุกข์ความโกรธเป็นอาการตกะทุกข์มาให้บรรเทาละทันทีมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธ ท, ทันทีจึงถูกต้องถ้า ต, ตอนตามความโกรธไม่ถูกต้อง เราอยู่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ต้องมีศิละปะเรื่องนี้เอาไว้เพื่อเจ้าหน้าที่สานสุขจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหานี้เพื่อร่วมงานและหวังตรงตัวเรานี้เกี่ยวข้องกับคนอะไรต่างๆ ว, วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่คนเก็บคนป่วยต้องเรียบต้องร้อน ถ้ ม, มันรีบแต่ใจมันเย็นมีความไม่ตากุณาออกหน้าออกตาคิดอย่างใดทำเสิ่งใ ด, งดพูดเชิงใดได้ยินได้เห็นอย่างใดมีความไม่ตากุณาจิตใจเบิกบานเสมอเจริญสละอารมณ์เศร้าเสมอจ่าฆ่าสละอารมณ์ออกใหม่อยู่เสมอเพื่อให้จิตใจเบิกบานเฉยใสจะสนุกด้ยช่วย ไม่มีงานอะไรที่เป็นกุศลเท่ากับการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาแม้แต่เขามาเนินทาเราเขาไม่รู้คนที่ไม่รู้เพราะอะไรมันไม่รู้มันหลงเลยไปเสาะหาเรื่องกับคนหลงไม่ได้ไม่ประโยชน์เอาเหตุเอาผลไม่ได้คนที่มีความหลงมันอยู่ภูมิมันต่ำเหมือนพวกปราชิตูปชีวีจะที่ายให้มันฟังมันไม่รู้ มันสวยกรรมของเขาเช่นความโกรธเราจะไปสอนคนที่โกรธไปได้มันประจิตตัปชีวีภู ม, ตมิต่ำภพภูมิเหมือนต่ํามันจะที่บายให้เป็นรู้จักบุญจากบาปไปได้เราบริโภควิบากกรรมของเขาคนที่มีวิบากกรรมเป็นภพภู ม, ตมิต่ําเช่นความโกรธเขาพอใจในความโกรธ ไม่อยากจะทิ้งความโกรธออกมาคิดหลายปีก็ออกมาคิดเรื่องความโกรธคิดขึ้นมาที่ไรโกรธทุกทีเขาก็พอใจที่จะโกรธมีใครไปห้ามเข า, าเขาไม่ยอมไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ไรไไดเรียกว่ามีบากรรมของเขาเอาทิฏให้ไปได้เช่นนิทานเพื่อนกัน่ะ คนหนึ่งเติแต่ความดีเสียชล่อได้อยู่สวรรค์คนหนึ่งตเติมแต่ความชั่วแล้อยู่ในโกตายไปเรื่องคิดถึงกันอยู่ตามหาเพื่อนคนที่อยู่ในสวรรค์ไปเห็นเพื่อนเป็นหนอนอยู่ในห้องช่วพระก็เรียกขึ้นมาไยเพื่อนเอ้ยมาอยู่นี่ทำไมขึ้นมาขึ้นมา ไปอยู่ด้วยกันกับเราหนอนไปอยู่เมืองสวรรค์ไม่ความโชคไม่มครับอะไรๆมาอยู่นี่อย่างไงอันเพื่อนที่ตายไปเป็นนอนอ่ะอันนี้เป็นเรื่องนิทานนะไม่ใช่ <c oughs> เคยเล่าให้ฟังแล้วใ น, นเมืองสวรรค์มันดีอย่างไงอยากยากิน อ, อ, อะไรก็มีกินอยากใช่อะไรก็มีใช่แต่คิดอยา่าง อันตัวเพื่อนที่เป็นหนอนอนะเขาบอกว่าต้องไปคิดเหลือจึงจะได้กินอยู่นี่ไม่ต้องคิดตกลงมาเองทุกวันทุกวันไม่ต้องไปคิดอะไรถึงเวลามก็ตกลงมาสนุกกินอยู่นี่ลอยอยู่มุดอยู่นู่นเนี่ยสนุกดีไม่อดไม่อยากอันนี้ไม่ใช่อาหารมันเป็นขี้เป็นคูด เมืองสวนมันมีขี้กินไหมอยังว่าอีกว่าเ <c oughs> มืองสวนไม่มีขี้กินไม่ไปเลยภูมันต่ำทุบภูมมันต่ำบางคนโกรธไปที่ว่าอย่ากโกรธตัเพื่อนมันไม่เอาภูมันต่ำอตอาบใดที่เขาไม่ชิ้นบาปชิ้นเวรนชินอวิบากกับของเราคนจึงจะลุกขึ้นมาจนเปล่มันจะเฉวยอยขำไป เช่นความโกรธโกรธเท่าไหร่ไม่รู้จักหลาบมันก็หายไปด่ากันแล้วเสียใจทีหลังตีลูกกันลูกเก็บแล้วเสียใจทีหลังทะเลาะ ก, กันแล้วเวลามันหายโกรธแล้วหายกันเสียใจมีเหมือนกันบางคนป่านนั่นจึงได้มันสายเกินไปมันผิดพลาดแล้ววันนี้มาป้องกัน อย่าไม่ถึงความโกรธให้มันเห็นจกว่ามันโกรธมันโกรธจะว่ามันโกรธไม่ใช่จัตุโลกุลตัวตนเราเขาอย่าไปทําตามมันควไม่โกรธก็มีมองตรงกันข้ามไม่โกรธก็มีอันควบไม่โกรธเป็นธรรมมันควบปวดไม่เป็นธรรมเดือดร้อนเป็นทุกข์เลี้หล่าโกรธกินก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับมันก็ทุกข์อันควบไม่โกรธเป็นฉลาดเนียนี่เรามัน ทำให้มันลาดถ้ามันสวัรด์มันขึ้นก็ขึ้นง่ายๆเห็นมันโกรธเห็นมันทุกข์ขึ้นง่ายถ้าเป็นพวกโกรธเป็นพวกทุกข์ขึ้นไม่ได้เห็นจึงมามีสติเนี่ยเป็นเครื่องทุ่นแรงทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยกรรมฐ า, านนี่ศักดิ์สิทธิ์าะเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติของผู้คนเป็นคนคนเดียวกัน เรานั่งอยู่นี้ชีวิตห ล, หลายๆชีวิตเนี่ยถ้าเรามีสติเป็นคนคนเดียวกันทันทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่นี้ต่างคนต่างหลงเป็นคนละคนกันไปพึ่งบาปใสยกันก็ไม่ได้จึงมาเป็นคนคนเดียวกันมีสติทุกคนมั่นใจไม่เป็นละลายไม่บีบเบียนตนเองไม่เบียนคนอื่นทุกกรณีทุกกรณีเลยทีเดียว แล้วก็มั่นใจแบบนี้เรียกว่าชีวิตประเสริฐชีวิตประเสริฐชีวิตมาตรฐานต้องฝึกเอาไม่ใชัดๆกูเนิรเกิดขึ้นมาต้องฝึกผลตนเองหมีสติไปได้ชีวิตประจำวันให้ฝึกเคยได้ยินได้ฟังเคยทําไปแล้วเวลามันหลงลูกก็ได้เวลามันโกรธลูกก็ได้เวลามันทุกข์ลูกก็ได้ มองตรงกันข้ามมันจะค่อยเอยียงไปไหลไปสู่ที่มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้จงได้ประสบพบเห็นเดื่นี้กันทุกคนทุกคนนั่นเถอะ